ต่อไปเข้าที่นั่งสมาธิการ <c oughs> การนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิเป็นการตั้งใจตั้งสติฝึกความดีให้เกิดขึ้นกับ จิตใจของเราพอใจของเราถ้าขาดสมาธิขาดน้อยคุณภาพของจิตใจก็หมดไปน้อยถ้าขาดมากคุณภาพของจิตใจก็หมดไปมาก ฉะนั้นมีการตั้งใจขึ้นมาตั้งจิติขึ้นมาใจคือธาตุรู้เรานึกในขณะนี้นึกฝึกให้รู้ตัวว่าเออเขาว่าตั้งใจเราทำอย่างนี้นึกอย่างนี้ ตั้งสติส ต, ติตคือเครื่องหลือกโลรู้ตัวอยู่ในขนาด น, นี้ว่าเรานั่งฝึกสมาธิการรู้ตัวที่นี่เราจะ รู้ในลักษณะความดีของใจพร้อมตัวหมายว่าจิตใจรู้ใจคือรู้ในลักษณะความดีของเราใจดีตั้งตติได้ดีตั้งใจได้ดีสัตัวอย่าง สมมติว่าเราแต่งตัวเราส่องกระจกเราควรทำใจตั้งใจยังไงดูยังไงการส่องกระจกเงาแต่งตัวเมื่อรู้ตัวทุกคนั่นแหละ ต้องทำใจความดีของใจมีเท่าไหร่ทำใจให้ดีขึ้นเพราะใจดีมันจะเกิดคุณธรรมคือความสวยความงามหน้าตาสดขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสความดีของใจมันก็จะมีความสมบูรณ์ขึ้นใจดี ใจงามคุณภาพของใจก็จะสมบูรณ์ขึ้นอันนั้นคือการรู้ตัวในขณะที่เราส่องกระจกเงาถ้าใจของเราไม่ตั้งขึ้นมาไม่ได้อาศัยสติระลึก้ลู้ใจ ใจมันจะเมือ่อยเคิดไปตามเรื่องถ้าเรื่องวุ่นวายมากๆกิลยามารยากการตั้งใจตั้งส ต, ติมันจะตั้งไม่ได้อยู่เฉยอยู่นิ่งไม่ได้ให้สังเกต บ, บางครั้งบางข่าวหรือบางคน ถ้าจิตใจเขามีปัญหามากเขาจะอยู่ไม่เป็นปกติกิริยามารยาทถึงจะนั่งกระชีดมือลอยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองข้างบนมองข้างล่างอันนั้นแสดงนึงว่าใจลอยสติลอย ความดีของตัวเองคือด้านจิตใจจิยามารยาทนั่นนะ่ะแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยหมดคุณค่าหมดคุณภาพท่ามกลางของสิ่งแวดหอบทุกวันนี้ท่ามกลางของปัญหาส่วนมากมันทำให้เสียคุณภาพ ทำให้เสียความรู้สึกในความดีของจิตใจทุกวันนี้ฉะนั้นถ้าเผื่อเราปล่อยกายปล่อยใจจิริยามรรยญาตแบบไมรู้สึกตัวมากเข้ามากเข้ามากเข้า ตรงนี้น้าห่วงถ้าเรามาตั้งใจตั้งถิฟังพิจรารณาเราจะเห็นความบกพ่องการไม่ได้ตั้งใจตั้งถิเราจะเห็นความบกพร่องการไม่ได้ฝึกสมาธิหรือจิตใจไม่เป็นสมาธิ ฉะนั้นการมาตั้งใจตั้งสติฝึกสมาธิจึงเป็นการมาสร้างความดีให้ใจสร้างคุณภาพความดีให้ใจนอกจากใจดี เมื่อใจสงบเป็นสมาธิสงบน้อยใจจะมีความสุขความสบายน้อยถ้าสงบมากยิ่งมีความสุขความสบายมากฉะนั้นการมาฝึกนั่งสมาธิจึงมีความจำเป็น สำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกท่านทุกคนสมาธิจิตที่เราฝึกที่เราทำมันเป็นวิหารและทำเครื่องอยู่ของใจหรือเป็นที่พักผ่อน ให้จิตใจมีความสุขความสบายให้จิตใจมีความสงบอบอุอน่นฉะนั้นลักษณะของสมาธิคือความสงบสงบจากเรื่องสงบจากปัญหาสงบจากอารมณ์ต่างๆ ฉะนั้นการฝึกให้จิตใจของเราเป็นสมาธิหรือสงบจากเรื่องจากอารมณ์จึงมีพิธีการให้เรียนรู้วิธีฝึก <c oughs> เมื่อใจของเรา มีแต่เตเป็นเครื่องระลึกโลกใจคือธาตุโรคส่วนความนึกความคิดในขณะที่เราฝึกนั่งสมาธิให้เลิกให้ละความนึกความคิดอันอื่น เมื่อเราปล่อยวางเลิกลนะความเึกความคิดอันอื่นนะะั่นะเรามาทำใจให้สบายสบายวางเรื่องต่างๆให้จิตใจเรามีความเบาความสบายเราหายใจเข้าเลือกๆหายใจออกยาวๆลองดูเิอ้ หายใจเข้าลึกๆทําใจให้สบายสบายแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทําใจให้สบายสบายหายใจออกยาวๆลักษณะการฝึกให้รู้ตัวอันดับแรก เื่อเป็นการตะล่อมกระแสะจิตใจที่มันไปยืดไปให้ความหมายแบกภาระเรื่องหนักเรื่องมันเป็นปัญหาฉะนั้นเรามาตั้งใจตั้งตติทำใจให้สบายสบายแล้วหายใจเข้าลึกๆนึกโดู ให้จิตใจของเราอยู่กับลมทั้งเข้าทั้งออกถ้าเรานึกเราฝึกอยู่ลักษณะนี้ความรู้ตัวที่เนี่ยรู้ความดีของใจรู้ความเบาความสบายของใจมันจะรู้ตัวขึ้นเพิ่มการรู้ตัวขึ้น ความเบาของใจก็จะรู้สึกเพิ่มมากขึ้นกับเพราะมันวางเรื่องต่างๆไว้วางภาระปัญหาเรื่องต่างๆที่เป็นหนักเป็นภาระที่หนักฉะนั้นการมานึกดูลมหายใจเข้าลึกๆทําใจให้สบายๆเนึกดูลมหายใจเข้าลึกๆรอบเนื้ หายใจออกยาวๆเป็นส่วนประกอบเป็นการสร้างความสำนนึกให้เกิดความรู้สึกมีความเบาใจเมื่อเรียนรู้ในการนึกหายใจเข้าลึกๆส่วนประกอบเราจะใช้คำบริกรรม การหายใจเข้าลึกๆเรานึกโพดหายใจออกยาวๆพูดพทดเป็นส่วนประกอบกับคำบริกรรมอย่างนี้ก็ได้ทำไมจึงมีการนึกอย่างนี้เพราะการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ มันเป็นการเริ่มต้นสำหรับการฝึกเป็นการตัดกระแสจิตใจของพวกเราไปยุ่งกับภาระหน้าที่การงานทางนอกถ้าเราบางภาระหน้าที่การงานทางนอกได้ได้ง่าย เราเพียงแค่ทำใจให้สบายสบายแล้วนึกกกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแบบเป็นปกติแบบสบายสบายถ้าเราวางภาระเรื่องทางนอกได้เร็วได้ง่าย อันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเราฝึกอย่างนี้เราอานาปานุสติกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหรือใครที่เคยฝึกนึกพุโทโธบางเรื่องต่างๆแล้วทำใจให้สบายสบายแล้วก็นึกพุโทโธพุธโทโธเป็นส่วนกำกับ ใครเคยฝึกลักษณะนี้มาก็กให้ใช้ ร, รมบริกรรมนึกพุทธโธพุทธโธการฝึกตรงนี้ความดีของใจมันจะเกิดขึ้นเพราะความดีของใจจะเกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรม เพราะกการฝึกสมาธิฝึกความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอันนั้นคือสติธรรมใจมีสตินึกพุทโธก็ให้รู้หรือดูลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้การรู้การนึกในลักษณะนี้อันนี้คือการ มีสติธรรมฝึกสมาธิฝึกความเป็นธรรมความเป็นธรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นเือสติธรรมสติถ้าเผื่อพวกเราฝึก อ, อย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าของสติ เจตใจมีส ต, ติคนมีส ต, ติรู้ตัวการรู้ตัวทุกข์กระดาจิตรู้ตัวทุกข์ความสำนึกจะเป็นใจิตใจที่มีคุณธรรมคือส ต, ติธรรมเห็นในชัด ในขณะใจเราหรือใจคนเด่นที่เขาแสดงด้วยกิยรยามารยาตจากการทำหรือทำพูดข้าจติน้อยอารมณ์ของจิตใจมีมากหมายถึงอารมณ์ของกิเลสโทสะโมหะหรือโลภะอะไรก็ตามแต่ ถ้าอารมณ์ประเภทนั้นอนะคงขึ้นในความรู้สึกของจิตใจถ้าทติอ่อนทติไม่ทันทติกำลังน้อยอารมณ์ประเภทนั้นจะพุ่งออกเลยทางกิริยามมรยาติหน้าตาแทบจะดูไม่ได้คำพูดไม่มีใครอยากจะฟัง อันนี้คืออารมณ์ของกิเลสโทสะโมหะมันเกิดขึ้นแบบรุนแรงแเพราะขาดธรรมคือสติหยับยังไว้ไม่ได้ถ้ารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวมีสติรู้ตั ว, ต ว, ตตวนี่ยอารมณ์ประเภทนั้นเกิดขึ้น จะให้รู้อารมณ์โกรธกายรู้ในโกรธรู้ว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเมื่อรู้ว่ามันเป็นของไม่ดีที่เนี่ยใจของเรามีตติพร้อมมีสมาธิพร้อมมีปัญญาพร้อม ในกาะนั้นน่ะปัญญารู้อารมณ์ความโกรธเนี่ยเป็นของไม่ดีเมื่อใจรู้ว่าเป็นของไม่ดีใจมันก็ไม่ส่งไปตามอารมณ์ของความโกรธฉะนั้นสมาธิก็ขึ้นในขณะนั้นจิตใจหนักนั่นไม่ส่งไปตามอารมณ์ ไม่พูดออกตามอารมณ์ไม่แสดงทางกายออกตามอารมณ์แต่นัน่ะอารมณ์ประเภทนั้นน่ะเมื่อมันเกิดขึ้นกลใหโลกนี่อารมณ์กงังวลหรืออารมณ์ประเภทใดที่มันเกิดกลโลก รู้อย่าส่งใจอย่าส่งใจตามอารมณ์อันนี้คือการฝึกฝึกสมาธิให้จิตใจเราหนักแน่นตั้งมั่นคือไม่ให้จิตของเราส่งไปตามอารมณ์พวกเราทุกคนยอมรับ ถ้าคนมีสติระงับอารมณ์ฝ่ายชั่วระงับอารมณ์ฝ่ายต่ำไว้ได้ทุกคนยอมรับว่าคนนั้นเป็นคนดีจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามฉะนั้นการมาตั้งใจตั้งสติ ดูลักษณะของใจดูจิิยาของใจลักษณะของใจเรามตีติให้ใจของเราอยู่ในลักษณะความเป็นปกติเรียนรู้เออใจปกติเป็นอย่างนี้ ให้ใจของเราอยู่ในลักษณะของความดีใจดีเป็นอย่างนี้ใจมีตติและลึกรูก้เห็นความดีของใจเห็นความเป็นปกติของใจอันนี้จิตใจอยู่ในความเป็นผู้มีความฉลาด หรือเจตใจอยู่ในลักษณะของความเป็นบุนบนคือความสมบูรณ์ดีของใจนั่นแหละทันั้รมการเรียนรู้ลักษณะของใจกิจริยาของใจให้ใจของเราอยู่ในลักษณะไหนถ้าเราเรียนรู้ ใจของเราควรจะให้อยู่ในลักษณะของความเป็นปกติอยู่ในลักษณะของความดีลักษณะของความเป็นปกติท่านเรียกว่าสินสินคือความปกติกายปกติใจลักษณะของความดีที่เนี่ย ความดีอันนี้เป็นลักษณะของเจตใจเป็นผู้มีบุญบุญคือความดีของใจใจไม่ดีอารมณ์บาปอารมณ์ของกิเลสพิษแล้วความดีของใจมันเป็นคุณธรรมธรรมชาติ เรามาเรียนรู้ความดีเรียนรู้ความเป็นปกติของจิตใจอันนี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เราควรจะให้จิตใจของเราอยู่ในลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นศีลเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลอะเ น, นี้กุศลกุโลกุลาคือความฉลาด เราเลือกแฟนรักษาเราเลือกแฟนที่อยู่ของใจให้ใจของเราอยู่อย่างนี้เรียกว่าฉลาดถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ที่อยู่ของใจใจของเราหรือจิตของเรานี่มันจะอยู่กับอารมณ์ของกิเลสของตัณหาวิยงวุ่นกันอยู่สัมผัส ตาหูจมูกเล่นกายอารมณ์ของใจเกิดขึ้นปั่นป่วนรวนเลววุ่นกันอยู่ตามเรื่องอันนัน้นเป็นลักษณะของกิเลสเรื่องปัญหานั้นๆนจะมีน้อยปัญหาน้อยมีทุกข์น้อยแต่ขอบเขตของกิเลส ข, ของตัณหามันไม่ได้มีน้อยอย่างนั้นะที่เนี่ย มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนก่อให้เกิดเรื่องเกิดเราก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเรื่องกิเลสเรื่องสัญหาอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้บรรดาพวกเราที่ ต้องการความสงอบอบอุ่นต้องการความสุขต้องการความสบายฮารุใจของพวกเราคือใจของเราใจของเราต้องการความดีต้องการความเป็นปกติสุขต้องการความสุขความสบายแบบธรรมชาติ เราเห็นความดีของใจเห็นความปกติสุขของใจความดีของใจในขณะ น, นี้ความปกติสุขของใจในขณะนี้มีแต่มันมีน้อยพระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยความเมตตาความสงสารมีน้อย มันไม่เพียงพอแก่ความต้องการเหมือนเรามีทรัพย์สมบัติน้อยๆไม่มีมากต้องการใช้ที่เนี่ยมันไม่พอใช้หรือเรือนชานบ้านช่องที่หลับที่นอนของเราแทบจะปิดบังลมฝนจะไม่ได้ เรามีที่พักผ่อนหลับนอนเรือนชานบ้านช่องมีน้อยเล็กนิดหน่อยอย่างนั้นอ่ะมันไม่สะดวกในการอยู่การอาศัยถ้าเปรียบเทียบที่พักผ่อนหลับนอนที่อยู่ที่อาศัยข้างนอกนั่นะจะนนั้นหมายถึงความดีของใจหมายถึงความปกติสุขของใจของใจ ถ้าเผื่อความดีมีน้อยความปกติสุขมีน้อยก็เหมือนอยา่างวัตถุเข้าของเดือนชานบั้นช่องของเราอย่างที่ว่าให้ฟังฉะนั้นอถ้าเป็นลักษณะนั้นความสมบูรณ์ในชีวิตความสมบูรณ์ของ จ, จิตใจมันกเกลียกไม่ได้บุญคือความสมบูรณ์ ฉะนั้นเมื่อเราต้องการความดีความสมบูรณ์ความดีส่วนนั้นนะ่ะใจต้องการความดีแล้วจะทาความดีสร้างความดีขึ้นให้ใจของเราใจเราต้องการความเป็นปกติสุขเราจะสร้างความปกติสุขขึ้นให้ใจของเรา ใจของเราต้องการความสุขความสบายแล้วก็สร้างความสุขความสบายให้จิตใจของเราความปกติสุขความสุขความ ส, ามสบายในที่นี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยไม่ได้อาศัยเองปัจจัยสี่อะไรเท่าไหร่นัก ความสุขความดีความสุขความสบายเกิดขึ้นธรรมชาติอันนี้คนในโลกอันนี้ไม่มีใครที่จะรู้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เท่านั้นมาตรัสจะรู้รู้รู้เรื่องนี้ความดีความสุขความสบาย ที่เกิดขึ้นจากศีลจากสมาธิจากธรรมนี่นะ่ะมันไม้เกิดขึ้นจากปัจจัยสี่วัตถุเข้าของเงินทองอะไรเราศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นเชื่อชาติกษัตริย์ความสมบูรณ์ในฐานะของกษัตริย์ จะขนาดไหนแต่แล้วเมื่อพระองค์สเสด็จออกบรรพชาบนสมบทเข้าไปอยู่ป่าที่นั่งที่นอนอยู่ตามป่ามีเสือสา์อาจจะนะที่ไหนโุกนั่นกับยยกนี้ ถ้าโยตามป่าที่นั่งที่นอนก็อยู่แบบไม่สมบูรณ์ในการที่นั่งที่นอนผู้ปอกเบาะหมอนอะไรไม่มีฉะนั้นล่ะตรงนั้นละ่ะเจนเมื่อพระองค์ไปนั่งสมาธิใจของพระองค์ท่านสงบเป็นสมาธิ เห็นความสุขธรรมชาติที่เกิดจากสมาธิน่ะพระองค์ย้อนเห็นความสุขธรรมชาติเปรียบเทียบความสุขแบบเป็นคลุวาดญาติโยมอยู่ในฐานะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ดีว่าความสุขอื่นนอกจากความสงบนี้ไม่มี พระองค์เห็นได้ชัดอย่างนั้นจึงว่าสุขธรรมชาติด้านจิตใจเมื่อจิตใจสงบนี่นะจากสมาธิจึงเป็นความสุขแบบธรรมชาติเป็นความดีแบบธรรมชาติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตใจแบบธรรมชาติตนั้นในเมื่อพระองค์รู้ความสุข ความดีเกิดขึ้นแบบธรรมชาติเกิดขึ้นจากศีลธรรมนี่นะพระองค์ประกาศ ค, คำสอนบรรดาผู้มีนิสัยฟังแล้วฝึกฟังเข้าใจแล้วฝึกได้รับคุณค่าได้รับประโยชน์จากการฟังการฝึกเป็นสาวกสาวิกานับไม่ถ้วนประมวลไม่จบ ฉะนั้นคนค่าเรื่องศินสมาธิสติปัญญายังสมบูรณ์บริบูรณ์พวกเราอยู่ในถาำกลางของความสมบูรณ์บริบูรณ์ในสินสมาธิปัญญาพวกเรามาฝึกท่าจิตใจของพวกเราสามารถฝึกขึ้นมาได้คนค่าของ สมาธิทมสติธรรมความสุขแบบธรรมชาตินี่น่ะก็สามารถจะเกิดขึ้นกับพวกเราเราทันทันฉะนั้นนศยสิน ร, รมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอาการิโกธรรมไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยเหมือนอย่างพิษภัยของกิเลสตัณหา พระพุทธเจ้าสอนทุกโทษพิษภัยของกิเลสตัณหาพระองค์นี้สอนมาก็2 5 0สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยกนี้สมัยนี้เห็นได้ชัดไม่ใช่หรือแสดงกิริยาบรรยาทไปตามกระแสของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหา ความยากในทางที่ผิดนี่นะมันเกิดปัญหาขึน้นเกิดความเป็นทุกข์ขึ้นแต่นั่นกิเลสขั้งพุทธการกับยกนี้สมัยนี้อันเดียวกันให้ผลความเป็นทุกข์ด้านจิตใจแบบเดียวกันทั้นนะความเป็นธรรม สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมถ้าเราฝึกได้ผลการฝึกก็จะเป็นแบบเดียวกับขั้งพุทธการเหมือนพระพุทธเจ้าสาวบกสาวิกาดูเจตใจของพวกเรามันอยู่ในลักษณะของความเป็นศีลเป็นสมาธิมีสติมีสมาธิ เป็นขึ้นมีขึ้นมากน้อยขนาดไหนเราดูจิตใจของเราในขณนะนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ความฉลาดปัญหาต่างๆจาฆ่าให้สลักการละการปล่อยการบางเราใช้ความฉลาดของเราดูเดียว สิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะให้มีในใจสิ่งที่เป็นทุกข์มีปัญหาทาง จ, จิตใจพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีความฉลาดให้รู้จักเลือกเลิกเวทในสิ่งที่มันเป็นปัญหา ความสำนึกความรู้สึกของพวกเรามีในความรู้สึกมากน้อยขนาดไหนปัญหาเกิดขึ้นจากการกระทาทางกายอย่างฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามเดิมของมืนเมาจรลาเมลัยกัญชายาฝิ่น พฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของตัญหาความทะเยอทะยานอยากอยากในทางที่มันผิดดูที่ความสำนึกจิตใจของพวกเราความสำนึกจิตใจของสามัญชนทั่วไปที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมไม่ควรจะ ไปทำสิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะไปยินดีกับสิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะคิดตามกระแสของกิเลสันหากกับเรื่องเหล่านั้นข้ามกลางของสังคม <c oughs> รวมพวกเราเข้าด้วยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเออเนี่ยความรู้ความฉลาดท้งด้านจิตใจ ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกให้เลี่ยงให้ละให้เว้นมีความเข้าใจลักษณะนี้มากน้อยขนาดไหนเห็นได้ชัดเลยถ้ายังไปมัวเมาอยู่ตามกระแสของจิเลตตัญหาอย่างที่ว่าทางกายการกระทำทางวาจาคำพูดจิตใจความคิด กแสดงว่าจิตใจยังอยู่ในอำ น, นาจของจินตนัตหาฉะนั้นน่ปัญหาด้านจิตใจปัญหาในชีวิตความเป็นอยู่จึงมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากการกระทำเราไม่ต้องการประเภทนั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรามีคุณค่ามีอนาคตตรงนี้นี่เองเราควรจะหาโอกาสหาเวลามาฝึกมาฟังมาฝึกใช้ความฉลาดอันไหนมันไม่ดีอย่าเอาไว้กับใจอย่าให้ใจของเราไปทำสิ่งนั้น อันนี้คือความฉลาดทางใจถ้าใจไม่รู้จักเลือกแฟนจะเรียกว่าความฉลาดทางใจก็ไม่ได้รู้จักเลือกแฟนในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษละได้น้อยมีความฉลาดน้อยละได้มา ก, กจิตใจมีความฉลาดมาก อันนี้ตังหาการฟังเนื้อหาที่จิตใจของพวกเราทุกท่านทุกองคทุกท่านทุกคนถ้ายังรู้ตัวว่ามีกิเลสมีตัณหามีอวิชชาโมหะความหลงอยู่ให้มาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้มาตั้งใจของเรา ฝึกใจของเราให้มีความเป็นธรรมให้มีคุ ณ, ณธรรมสติธรรมสมาธิธรรมเอาไว้เราจะใช้ปัญญาธรรมเลือกฟแฟนตอนนั้นสิ่งที่เลือกแฟนในขณะนี้ให้มาดูอารมณ์ทางจิตใจของเรานั่นแหละ ความดีของจิตใจใจดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความสบายของจิตใจรู้ตัวใจเบาใจสบายทันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจของเราเอาอารมณ์อันนี้เป็นเครื่องโยกได้ชื่อว่าเรามาฝึกความฉลาด ให้เสิ่งเหล่านี้มีมากขึ้นตั้งหนักแน่นอยู่ภายในจิตใจที่เนียสบาธิคือความตั้งมัน่นให้ใจงเราตั้งมั่นอยู่ลักษณะความดีอันนี้จะตั้งมั่นด้มากในน้อยข น, นาดไหนจึงมีการฝึกตามการตามเวลาฝึกให้มันตั้งอยู่สักสิบนาทีได้ไหม หรือว่ายี่สิบนาที <c oughs> หรือสามสิบนาทีหรือชั่วโมงฉะนั้นจึงมีการฝึกอย่างน้อ ย, อยถึงสามสิบนาทีหรือชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อฝึกให้ใจของเราตั้งอยู่กับความดีให้เป็นนิสัยความดีจากการฝึกอันนี้ตั้งหากนะการฟังการฝึกสมาธิเข้ม มาตั้งใจของเราให้อยู่กับความดีตั้งสติของเราให้อยู่กับความดีความดีในจินนี้ก็หมายว่าความดีของใจใจดีนั่นแหละความดีของใจใจดีรู้ตัวอย่างนี้ใจอย่างนี้เรียกว่าใจดีถ้าใจไม่อยู่กับความดีนนี่มันอยู่กับอารมณ์ของกิเลสพิษแหละ ท่านั้นน่ะความดีของใจความเบาความสบายของใจใจของเราเรียนรู้อยู่ภายในจิตใจเมื่อเรียนรู้อยู่ภายในจิตใจก็ได้ชื่อว่าฉันละเราเลือกเฟ้นอารมณ์ความดีเลือกเฟ้นอารมณ์ความเบาความสบาย เพื่อจะได้เกิดความสุขความสงบอบอุ่นแบบธรรมชาติที่เกิดจากศีลจากธรรมจากปุณจากรกุศลจะนั้นผานเข้าใจทีนี้ต่อไปจะบระิบายละทุกคนให้ตั้งใจใช้คําบริกรรมเป็นส่วนประกอบทําใจให้สบายสบายแล้วก็ใช้คําบริกรรมเป็นส่วนประกอบหรือกระนดดูลมหายใจเข้าออก เคยฝึกอย่างไรให้เอาอย่างนั้นเอาตั้งใจฝึกในเวลาพอสมควรฟังเรื่องของใจและฟังเรื่องของการฝึกฉะนั้นสิ่งที่พวกเราฝึก คือต้องการให้ใจของพวกเรามีความสงบเป็นสมาธิถ้าเผื่อพวกเราปล่อยไม่มีการฝึกการเรียนรู้ความดีของใจมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดหรือการเรียนรู้ความเป็นบุญของใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัด เพราะนั้นเมื่อเราฟังแล้วก็ฝึกใจของพวกเรามีความฉลาดเป็นพื้นฐานจาค่าสละสลัดอันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็าจาค่าสละอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็จาค่าใน ความเหนื่อยเมื่อยหิวของพวกเราปล่อยทิ้งวางตามเรื่องมันอย่าไปยึดอย่าไปให้ความหมายอย่าไปถือเราใช้ความฉลาดปล่อยวางจากขะสละดสลั ด, ลดแล้วให้ใจของพวกเราอยู่ในลักษณะความเป็นปกติไม่วันไวด จะมาที่คือความตั้งมัน่นจะมาที่คือความหนักแน่นหนักแน่นกับความดีส่วนนี้มันจะเห็นคุณค่าของใจที่นี่ยเห็นความดีของใจกระใจมีความดีใจมีคุณค่ามันเห็นความดีจากการฟังการฝึกในลักษณะที่พวกเรากําลังฟังกําลังฝึกกัน วันนี้เห็นว่าพอสงควรเกี่เวลาเริ่เกียวนีบบทคลองไของเราเอาซะเนี่ยพวกโยมเดิกไปก่อน <c oughs>